166หลักประกันว่ามนุษย์หมดทุกขภยัยโทษคืออารหารันเมื่อจบตามขอบเขตของความเป็นคนที่จะเป็นคนหมดทุก์หมดโท ษ, ห ม, ท ห, มโทษหมดภยัยในความเป็นคนคืออารหารันก็เป็นขอบเขตขั้นต้นของความเป็นมนุษย์เท่าที่จะเป็นมนุษย์อยู่ในโลก จบได้จริงตั้งแต่ปฏิบัติสาเร็จในปัจจุบันใดก็เป็นอันได้เป็นมนุษย์ผู้มีจิตสูงตั้งแต่ปัจจุบันที่บรรลุอรหันต์ไปสู่อนาคตอีกเท่าใดเท่าใดก็เป็นคนไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีภยัยแก่ตนแก่ใครๆในโลกอย่างถาวรยั่งยืน ข้ามชาติไปอีกกี่ชาติก็ตามก็เป็นผู้ไม่มีทุกข์โทษภัยตราบที่ยังจะมีชีวิตเป็นสัตว์อยู่ในโลกต่อไปยังไม่ปรินิพานเป็นปริโยสารส่วนขั้นสูงของความเป็นพุทธที่มนุษย์ผู้นี้จะจ้งจิตต่อพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่กว้างไกล ไปจนบนรรลุอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นพุทธขั้นอปปัญญาซึ่งคนทุกคนมีสิทธิปรารถนาพุทธภูมิได้เมื่อบรรลุเป็นอนุพุทธได้แล้วไม่มีใครตัดสิทธิท์ี่จะปรารถนาและภาคเพียรปฏิบัติเป็นพระพุทธเจ้าได้มีสิทธิทุกคน แต่ต้องเป็นผู้บรรลุอลหรหันต์ขั้นต้นคืออนุพุทธให้ได้ก่อนถ้าตั้งกิจปรานาพุทธภูมิตั้งแต่ตนอย่างไม่บรรลุอะไรเลยแม้แค่ขั้นโสดาบันก็ตั้งกิจเล่นๆไปเท่านั้นชนิดที่ยังเดินเข้าเ ข, าเขตสถาบันพุทธก็ยังไม่ได้ซึ่งสามารถตั้งกิจได้จงพยายามศึกษาให้สั ม, มาทิฏฐิเถิด จนบรรลุผลเป็นโพธิญาณคือปัญญาตรัสรู้แบบพุทธก็จะได้ชื่อว่าเริ่มเป็นโพธิสัตว์ถ้าได้โสดาบันก็ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าคุณจะภาคเพียงปฏิบัติให้บรรลุถึงที่สุดของแต่ละขอบเขตขั้นตอนนั้นๆได้หรือไม่เท่านั้นเอง